สิกขาบทที่4เรื่องพระชัพพะคี589สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกุงสวัสถีครั้งนั้นพวกพิสุชิพัพพะคีนั่งตะโกนเสียงดังในละแวกบ้านพระบัญญัติ4พึงทำความสำเนียกว่าเราจะนั่งพูดเสียงเบาในละแวกบ้านเรื่องพระชัพคีจบสิกขาบทวิพังพิสุ พึงนั่งพูดเสียงเบาในละแวกบ้านพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งตะโกนเสียงดังในละแวกบ้านต้องอาบัติทุกข์กดอนาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1นพิกษูไม่จงใจ2อพิกษูไม่มีสติ3าพิกษูผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้เป็นไข้5้พิกษูผู้มีเหตุขัดข้อง6กพิกษุวิกฤจริต7จพิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่4จบ